อางเวลามีจำกัดใครจะส่งกันบ้านเชิญคุณสว่างเชิญีหลายวันก่อนนะอยู่ๆฟังอยู่ดีตั้งใจแล้วมันหายไปแล้วก็เไม่ว่ามันอย่างนั้นแหละมันเกิดแล้วมันก็ดับไปไม่ไม่ต้องประหลาดนะบางคนมานั่งฟังอยู่เนี่ยมองหน้าตมาตมาหายวัดไปเลยนะบอกหลวงพ่อแสดงปาฏิหาร <c oughs> ไม่ปาฏิหารอะไรหรอก จากครูวิญญาณจิตเกิดขึ้นช่วงขนาดแล้วก็ดับแต่ว่าเดิมสติเราไม่เคยทันเราไม่เห็นมันดับนะเกิดแล้วมีจะเห็นเลยทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับนะจิตคุณสว่างเป็นยังไงนะตอนนี้เป็นไงนะรู้ตัวไหมตอนนี้นะจิตจิตมันกระจัดกระจายออกข้างนอกนะนะต้องพยายาม มีรูปแบบของการปฏิบัติไปบ้างนะอย่างเดินจงกรมอะไรั้งทำไหว้พระสวดมนต์เดินจงกรมทําบ้างที่จริงก็คือถ้าจิตมีสมถะทําสมถะบ้างจีตแค่มีกําลังตั้งมั่นนะตอนนี้จิตมันไม่ตั้งมั่นไปนิดหนึ่งดูออกไหมเหมือนกระจายมันกระจัดกระจายออกไปมันสว่างควาจริงแค่รู้นะมนก็เข้าที่ได้หนละนี่ส่วนมากเรารู้สึก เลื่อนออกไปอยู่เนี้ยจิตกระจายไปเรารู้สึกว่าสบายมันเพลินเพินสบายเลยขี้เกียจจะเลยปัญญาอย่างนี้ยม่เอาไตรลักษณ์เขาไม่ไดเอาไว้เกียรนาะคือถ้าเมื่อไร่เราเห็นกายเห็นจิตหรือเห็นขันห้างของเราแท้จริงเนี่ยขันห้างนี้แหละจะแสดงไตรลักให้ดนะูเพราะงั้นไม่ไตรลักไม่ใช่เรื่องที่ไปคิดเอา ยกตัวอย่างเนีย่ยสมมตเราเห็นฝนตกตกถึงดินแล้วเป็นฟองน้ําขึ้นมาถ้าเราเห็นฟองน้ําเนี่ยนะเราไม่ต้องคิดเรื่องไตรลักษณ์ฟองน้ํำยังไงก็ต้องแสดงไตรลักษณ์ให้ดูถ้าเราเห็นจิตเราก็ไม่ต้องคิดเรื่องไตรลักษณ์จิตต้องแสดงไตรลักษณ์ให้ดูยังไงมันก็แสดงเฉั้นไตรลักษณ์เอาไว้รู้นะไม่เอาไว้คิด เอยอะแยะเลยเราไม่ได้ฝึกเพื่อจะดับนะพระพุทธเจ้าบอกว่าทุกข์ให้รู้สมุทัยให้ละเมื่อกิเลสเกิดโทสะเกิดขึ้นมาโทสะเนี่ยอยู่ในสังขารขันโทสะเป็นตัวทุกข์นะให้เรารู้ทุกข์อย่าไปอยากละมันนี้พอใจเรามีความอยากละโทสะเนี่ยท่านบอกให้ละสมุทัยละความอยากนะให้รู้ทุกข์ด้วยใจที่เป็นกลาง เพราะงั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทางกายทางใจนะให้รู้ด้วยจิตใจที่เป็นกลางไว้อย่าไปอยากทั้งทางดีทางร้ายนะยินดียินร้ายกับเขาเป็นกลางไว้นี่ถ้าใจไม่เป็นกลางเห็นโทสะเกิดไม่เป็นกลางอยากให้ดับอยากให้ดับเนี่ยมันจะบ่งการใจของเราให้เกิดพฤติกรรมทางใจหาทางดับโทส ะ, ะใจเราก็จะทํางานมากขึ้นบีนเช่นหาวิธีดับโทสะเช่นไปเจริญเมตตาอะไรย หาทางดับโทสะหรือพุทโธพุทโธโกรธน้อโกรธน้ออะไรนี้เพื่อจะไปดับโทสะจริงจริงกิเลสทั้งหมดเลยรูปทั้งหมดจิตทั้งหมดนเจตสิกทั้งหมดนะ่ะเอาไวร้รู้ไม่ใช่เอาไว้ละต้องแม่นหนะ้าหลักนีไม่งั้นพอเราเจอกิเลสเราอยากละอยากละใจเราก็ยิ่งดิ้นรนยิ่งดิ้นรนใจไม่สงบเลยยิ่งฟุ้งซ่านไปอีก แต่ถ้าเราเห็นกิเลสมาใจเรารู้ทันกิเลสเห็นกิเลสเออแก่เป็นสิ่งแปลกปลอมมาท่านไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นของที่จิตเราไปรู้ไปเห็นเข้าเป็นของแปลกปลอมมานะพอเห็นว่ากระทั่งกิเลสก็เป็นแค่สิ่งแปลกปลอมผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะใจเป็นกลางกลางกระทั่งกับกิเลสหรือจิตมีกุศลหรือจิตมีความสุขเกิดขึ้นมาเช่นเราภาวนาไปแล้วมีความสุขใจเราพอใจ ให้รู้ทันมาพอใจนะไม่เป็นกลางอีกแล้วเกิดความพอใจขึ้นใหม่อีกละเพราะงั้นพอจิตเราไปรู้อารมณ์ใดๆเข้าเนี่ยมันเกิดยินดียินร้ายขึ้นมานะให้รู้ทันนะตัวนี้ไม่เป็นกลางเมื่อเรารู้ทันความยินดียินร้ายที่เกิดขึ้นจิตจะเป็นกลางจิตที่เป็นกลางเนี่ยเป็นประตูของการบรรูุมรรคผลทุกวันนี้ที่เราบรรลุมรรคผลไม่ได้เพราะจิตเราทางานไม่เลิกลุงแต่งไม่เลิก ทำไมปรุงแต่งไม่เลิกเพราะอยากไม่เลนะิกะอยากดีอยากสุขอะไรเงี้ยก็ดิ้นรนไปนะอยากพ้นทุกขนะ์อยากละกิเลสมีแต่คำว่าอยากอยากพอความอยากเกิดขึ้นจิตใจเกิดการดินน้นรนนะสิ้นไปด้วยเพราะงั้นไม่หยุดความปรุงแต่งนี้ถ้าเรารู้สมมติว่าความโกรธเกิดขึ้นเรารู้เห็นเลยเป็นสิ่งแตกปลอมเข้ามาเป็นนามธรรมอันนึงผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแต่เราเป็นกลาง ออดไม่ได้แล้วอาวิชาเรามีปรุงไปเรื่อยแหละแต่ว่าให้คอยรู้ทันนะรู้ทันไปด้วยความปรุงแต่ก็จะขาดไปช่วงขณะเดี๋ยวก็ปรุงใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเฝ้ารู้เฝ้าดูนะสมมติว่าดูจิตใจเราจะเห็นเลยจิตใจเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายมันจะหมุนเวียนมาอย่างนี้เรื่อยๆถ้าเราเฝ้ารู้เฝ้าดูใจเราเป็นกลางแล้วจะเห็นเลยว่าความสุขอยู่ชั่วคราวผ่านมาแล้วก็ผ่านไป ความทุกข์อยู่ชั่วคราวผ่านมาแล้วก็ผ่านไปในสุดใจจะเป็นกลางความสุขมาใจก็เป็นกลางรู้ว่าเดี๋ยวมันก็ไปความทุกข์มาใจก็เป็นกลางรู้ว่าเดี๋ยวมันก็ไปความเป็นกลางเนี่ยทำให้ใจหยุดการดิ้นรนหยุดการสแสวงหาจิตที่หยุดความดิ้นรนหยุดการสแสวงหาเนี่ยเป็นจิตที่ใกล้กับการบรรลุมรรคผลแะถ้าปริยัติเาเรียกว่าสังขารูเปกขามีปัญญา ทำให้เกิดความเป็นกลางกับสังขารทั้งปวงใจเราเป็นกลางกับสุขและทุกข์ความสุขมาเราก็กลางทุกข์มาก็กลางไม่ใช่ยินดียินร้ายกุศลกับกุศลมาเราก็เป็นกลางสภาวะที่หยาบสภาวะที่ละเอียดจิตก็เป็นกลางอีกธรรมะภายในภายนอกจิตก็เป็นกลางอีกนะในที่สุดจิตเป็นกลางกับสภาวะธรรมทั้งหลายทั้งปวงเมื่อจิตเป็นกลางจิตก็หมดการดิ้นรนหมดหมดความปรุงแต่ง คำว่าไม่ดิ้นรนไม่ปรุงแต่งก็คือคำว่าวิสังขารเป็ชื่อของนิพพานนั่นเองงั้นอยากได้นิพพานรู้ทันจิตใจของเราไปจิตใจเราปรุงแต่งเรื่อยๆมีความอยากเรื่อยๆยอมนั่งเก้าอี้ก็ได้นะอา้าวใครสังเกตบ้างพอเราหันไปดูใช่ไหมใจเราวิ่งไปอันนี้ไม่ได้ว่านะเป็นธรรมดาหัดดูหัดดูไว้ต่อไปเราจะรู้เลยทุกครั้งที่เราดูจิตเราก็วิ่งไปเอาลองดูพระพุทธรูป เดี๋ยวาอาตมาจะตั้งคำถามเกี่ยวกับพระพุทธรูปนะดูแล้วสังเกตให้ดีหน้าตาเป็นแบบไหนสังเกตเอียงข้างไหนอะไรเนี่ยสังเกตไหมใจพวกเราไปอยู่ที่พระรู้สึกไหมใจเราวิ่งไปอยู่ที่พระพอแล้วหลวงพ่อหลอกให้ดูหลวงพ่อจะสอนให้ดูว่าจิตเราวิ่งไปทางตาเป็นแบบนี้นึกออกหรือยังว่าจิตหลงไปทางตาเป็นยังไงดูวิ่งไปเลยไปดูนะดูจริงจังลืมตัวเอง ขาะที่เราดูพระพุทธรูปนึกออกไหมเราลืมกายลืมใจของเราเองเมื่อไรลืมกายลืมใจของตัวเองเมื่อนั้นแหละเรียกว่าขาดสติละเพราะสัมมาสติเป็นเครื่องระลึกรู้กายระลึกรู้ใจของเราพอจิตใจเราสนใจ ร, รูปภายนอกพระพุทธรูปนี่เป็นรูปภายนอกจิตใจเราสนใจจิตวิ่งพรวดไปดูเลยหลวงปู่ ด, ดูเรียกว่าจิตสอบนอกพอเราวิ่งไปดูเราก็ลืมตัวเราเอง เมื่อไรเราลืมกายลืมใจตัวเองเมื่อนั้นไม่ได้เจริญวิปัสนาอยู่วิปัสนาต้องรู้กายรู้ใจตัวเองนะเวลาฟังสังเกตไหมตั้งใจฟังอาจย์สมาพูดก็ลืมตัวเองอีกแล้วรู้สึกไหมถ้าไม่ลืมก็ฟังไม่รู้เรื่องนะ <_ letter> ถ้าไม่ลืมตัวเองก็ดูไม่รู้เรื่องเน <_ letter> ี่ยเพราะฉะนั้นการที่จะรู้ภายนอกนะกับการมาเจริญสตินะก็คนละอันกัน เนีย่ยเราขับรถยนต์อยู่เนี่ยเรามีหน้าที่ดูโลกข้างนอกไม่ใช่มีหน้าที่รู้กายรู้ใจตัวเองนะต้องดูรถคันอื่นว่ายังไงสัญญาณไฟเป็นยังไงต้องดูนะดูออกนอกอันนี้มีหน้าที่ดูออกนอกแต่เวลาที่เราไม่ได้มีภาระที่จะรู้เรื่องภายนอกเนี่ยให้คอยรู้ทันใจของเราแต่เราวิ่งไปทางตาก็รู้ทันใจเราวิ่งไปทางหูก็รู้ทันแสังเกตไหมพวกเราเวลาฟางังธรรมาพูดไม่ได้ฟังอย่างเดียวแต่ฟังไปคิดไปดูออกไหม นะสังเกต น, นะเวลาใจเราไหลไปอยู่กับเรื่องที่คิดไปรู้เรื่องที่คิดเราก็ลืมกายลืมใจตัวเองเหมือนกันสังเกตให้ดีนึกออกไหมเนี่ยลืมกายลืมใจลนะนะเพราะฉะนั้นวันหนึ่งวันหนึ่งเราลืมกายลืมใจตนเองนี่นับไม่ท่วในนะคนผู้หญิงนั่นนะลืมตัวเองแล้วรู้สึกไหมใจมันหนีวิคิดหนีไปเลยนะเพราะั้นในโลกนะหาคนที่รู้สึกตัวเนี่ยแทบไม่มีเลยมีแต่คนหลง เดี๋ยวก็หลงดูเดี๋ยวก็หลงฟังเดี๋ยวก็หลงคิดพนะอมาปฏิบัติก็หลงปฏิบัติอีกไปนั่งเพ่งออกนั่งบังคับกายนั่งบังคับใจนะตรงนี้ก็ผิดอีกนะหลงไปก็เรียกว่ากามสุขาริการนโยโบังคับไว้เรียกอัตตาเกลมาธาตุนิโยโฝฟุตโตงสองข้างไม่เอานะทางสายกลางคือรู้กายรู้ใจอย่างที่มันเป็นรู้ตามความเป็นจริงถามว่าทําไมต้องรู้กายรู้ใจตัวเองทุกมันอยู่ที่กายทุกมันอยู่ที่ใจนี่ ให้รู้ลงมาที่กายที่ใจนี้แพระพุทธเจ้าบอกทุกให้รู้นันทุกอยู่ที่กายทุกอยู่ที่ใจค่อยรู้กายรู้ใจไว้นะรู้ไปเรื่อยๆวันหนึ่งจะเห็นความจริงกายกับใจนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกแล้วก็ค่อยๆคลาย ค, ายความยึดถือเพอะคลายความยึดถือไปเนี่ยจิตจะหมดการดิ้นรนหมดการปรุงแต่งหมดการทํางานต่อไปจิตจะเข้าไปสู่ความสงบสุขที่บอกไม่ถูกเลยเพราะงั้นจะต้องทําเอานะ นั่งฟังอาตมาก็าหัดฟังไปสังเกตใจไปไม่ใช่ฟังเราคิดไปนะฟังแล้วก็คอยสังเกตที่ใจของเราเดี๋ยวก็ฟังเดี๋ยวก็ดูเดี๋ยวก็คิดสลับไปสลับมาตนะลอดเวลาดูออกอย่างเดี๋ยวก็ฟังเดี๋ยวก็คิดเดี๋ยวก็ดูรู้สึกไหมเนี่ยหัดรู้อยู่อย่างนี้ต่อไปแล้วเราจะเห็นกลรักเห็นใจรักยังไงเห็นไหมจิตไม่เที่ยง จิตวิ่งไปดูจิตวิ่งไปฟังจิตวิ่งไปคิดเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาดูออกขึ้ย่งว่าอันนี้จังอยู่ที่ไหนไม่ใช่คิดเอานะรู้สึกไหมเดี๋ยวใจก็วิ่งไปดูเดี๋ยววิ่งไปฟังเดี๋ยววิ่งไปคิดเห็นอนัตตาไหมเราบังคับมันไม่ได้หรอกมันทํางานของมันเองมันจะไปดูหรือมันจะไปฟังมันก็ทํางานของมันเองนะมันจะไปคิดเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลมันก็ทํางานของมันเองมันไม่ใช่ตัวเราหรอก เพราะนเฝ้ารู้เฝ้าดูไปวันหนึ่งก็เจ็แจ้งขึ้นมากระทั่งจิตนี้ยังไม่ใช่ตัวเราในโลกนี้จะไม่มีอะไรเป็นเราอีกละเพราะสิ่งที่เรายึดว่าเป็นเราเหนียวแน่นที่สุดก็คือจิตนี้เองนะมีธรรมะพระพุทธเจ้าท่านเทศน์ไว้อันอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่สนะิบเก้าสังยุตตนิกายนิทานวักรท่านบอกว่าผู้ดชนที่ไม่ได้สดับธรรมของพระอริยะเจ้าเนะี่ยยังสามารถ S <S <an lv ester ana> เห็นได้ว่าร่างกายเนี้ยไม่ใช่ตัวเราเพราะมันเห็นอยู่คนโ น, น้นก็ตายคนนี้ก็ตายอะไรเงี้ยแต่ว่าจะไม่สามารถเห็นเลยว่าจิตไม่ใช่เราเรารู้สึกไหมในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งเราคนนี้กับเราเมื่อเกิดใหม่ๆมันก็เราคนเดิมเนี่ยจะรู้สึกอย่างนี้มีเราอยู่คนหนึ่งตั้งแต่เกิดยันตายเลยเราอยู่คนเดียวนี้แหละเพราะเราไม่สามารถเห็นว่าจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นจิตดวงหนึ่งดับไป พระพุทธเจ้าท่านสอนตอบบอกว่าผู้ทุชนที่ไม่ได้สดับเนี่ยไม่สามารถเห็นว่าจิตไม่ใช่เราผู้ที่เห็นว่ากายเป็นตัวเรานะยังดีกว่าผู้ที่เห็นว่าจิตเป็นตัวเราเพราะว่าสามารถละความเห็นผิดได้ง่ายส่วนจิตเนี่ยเราละความเห็นผิดว่าเป็นตัวเราได้ยากเพราะมันเกิดดับรวดเร็วมากเราเลยรู้สึกว่ามันเที่ยงมันเป็นตัวเดียวตลอดตั้งแต่เด็กจนโตอย่างไฟฟ้าเนี่ย ไฟฟ้านี้ไม่ได้เที่ยงสว่างอยู่ตลอดเวลาไฟฟ้าจริงเกิดดับวินาทีหนึ่งเกิดดับห้าสิบกว่าครั้งอะไรเนี่ยแต่มันเร็วจนเรารู้สึกว่าเออมันก็สว่างคงที่อยู่อย่างนี้จิตก็เหมือนกันเรารู้สึกว่าจิตเรามีดวงเดียวคงที่อยู่อย่างนี้ตั้งแต่เกิดมาเลยที่จริงแล้วมันเกิดเกิดดั บ, ด, บดับตลอดถ้าใครเห็นว่าจิตเกิดดับเกิดดับนะจิตไม่ใช่ตัวเราเราบังคับไม่ได้เนี่ยจิตได้เป็นพระโสดาบัน เป้าหมายแรกของเราผู้ปฏิบัติธรรมนะต้องเป็นพระโสดาบันให้ได้ในชาตินี้นะถ้าชาตินี้ไม่ได้ชาติหน้าก็ยากอีกแหละยอมยากมาซะชาตินี้เลยนะพระโสดาบันทำไงจะเป็นพระโสดาบันพระโสดาบันคือคนที่ละความเห็นผิดได้ว่ากายกับใจเป็นตัวเราทำไมท่านถึงละความเห็นผิดได้เพราะท่านเห็นถูกถ้าเมื่อะไรเห็นถูกก็ไม่เห็นผิดทายัางไงจะเห็นถูก คอยรู้สึกอยู่ที่กายคอยรู้สึกอยู่ที่ใจบ่อยๆอย่าใจลอยไปรู้จัดใจลอยแล้วใช่ไหมเมื่อกี้เนี้ยเมื่อกี้พาดูแล้วนะไปดูพระพุทธรูปใจก็ลอยไปหาพระไปดูหนังใจก็ลอยเข้าไปอยู่ในโทรทัศน์อะไรเงี้ยนะไปฟังอะไรก็ใจก็ลอยไปนะใจลอยไปเรื่อยๆนั้นถ้าเมื่อไรเราใจลอยเราก็ลืมกายลืมใจรู้กายรู้ใจไม่ได้เมื่อไรรู้กายรู้ใจไม่ได้นะไม่สามารถจเจริญปัญญาได้ เพนั้นเราต้องจเจริญปัญญาโดยการคอยรู้กายคอยรู้ใจเรื่อยๆอย่าใจลอยไปอย่าเผลอไปในขณะเดียวกันอย่านั่งเพ่งเอาไว้เผลอไปกับเพ่งไว้เนี่คือความสุดโต่งสองข้างเผลอไปก็ลืมกายลืมใจเพ่งไว้ก็ไม่สามารถรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได้เพราะกายกับใจมันจะนิ่งผิดความเป็นจริงสังเกตไหมพวกนักปฏิบัติทั้งหลายพอคิดถึงการปฏิบัติก็เริ่มบังคับกายบังคับใจตัวเอง เคยหายใจมาตั้งแต่เกิดไม่เป็นไรนะพอเริ่มกาหนดลมหายใจจะตายแล้วเหนื่อยจะขาดใจแล้วเพราะอะไรก็เข้าไปแทรกแซงการหายใจของตัวเองถ้าเราแค่เห็นว่าร่างกายนี้รูปนี้มันหายใจเข้าหายใจออกเราเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูนะไม่เหนื่อยหรอกแต่นี้เราจะเข้าไปแทรกแซงการหายใจไปเดินช็อปปิ้งทั้งวันเช้ายันค่ายันดึกไม่เป็นไรนะเดินจงกรมจะเด้งล้ นะชั่วโมงหนึ่งโอ้จะตายทําไมอ่ะพี่เดินผิดปกตินะงั้นการเจริญสตินะทําได้ทุกทุกอิริยาบถนะยืนอยู่เดินอยู่นั่งอยู่นอนอยู่นะอย่าใจลอยนะอย่าใจลอยไปยใจลอยรู้จักไหมนะมันลอยซุปปองซุปปองไปนี้แหลนะแล้วก็อยากไปนั่งเท่งเอาไว้ของคุณติดเท่งนะนึกออกหรือยัง ไปแก่ให้รู้อย่างที่มันเป็นยายาอย่าพยายามพยายามนั้นโลภะเนี่ยให้รู้ทันลงไปเลยกํลาลังอยากปฏิบัติเลยพยายามปฏิบัติให้รู้ทันนั้นโลภะกํลาลังเกิดถ้ารู้ทันปุ๊บคือปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้วะเราไปวาดภาพการปฏิบัติคืออะไรก็ไม่รู้ที่ยากยากต้องทําอะไรก็ไม่รู้ยากยากเพราะธรรมะคืออะไรก็ไม่รู้อยู่ไหนก็ไม่รู้รู้แต่ว่าอยู่ไกลๆ ธรรมะอยู่นี้อยู่ที่กายที่ใจในี่กายนี่เรียกว่ารูปธปรรมใจนี่เรียกว่านามธรรมธรรมะอยู่ที่กายที่ใจนี่นะธรรมะไม่ได้อยู่ที่พุทธคยาที่ไหนนะเพราะฉะนั้นรู้อยู่ที่กายรู้อยู่ที่ใจกายกับใจนี่แหละจะสอนธรรมะของจ ร, ริงให้เราหลวงพ่อสอนธรรมะให้พวกเราไม่ได้นะกายกับใจของเราแต่ละคนถึงจะสอนธรรมะให้เราได้มันจะสอนเลยกายนี้ก็เป็นทุกข์นะกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นก้อนธาตุเป็นวัต ถ, ถุ จิตใจก็ไม่เที่ยงนะเปลี่ยนแปลงทั้งวันจิตใจเป็นอนัตตาเราบังคับมันไม่ได้เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยววิ่งไปทางตาเดี๋ยววิ่งไปทางหูเดี๋ยววิ่งไปทางใจบังคับไม่ได้เนี่ยของจริงอยู่ตรงนี้กระทั่งพระพุทธเจ้าท่านยังบอกเลยท่านก็สอนเราไม่ได้หรอกพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าท่านเป็นแค่ผู้บอกทางเท่านั้นเองงั้นธรรมะเนี่ยเราเรียนที่คนอื่นไม่ได้นะคนอื่นสอนเราได้แต่วิธีหรือทาง พระพุทธเจ้าบอกทางเราว่าให้รู้กายรู้ใจนะให้รู้ทุกคือกายกับใจเนี่ยตัวทุกให้ละความอยากซะนะการรู้ทุกการละความอยากนั่นแหละเรียกว่าการเจริญมรรคงั้นอยากปฏิบัติใช่ไหมรู้สึกไหมพอมันอยากปฏิบัติมันก็ลงมือทํานึกออกไหมสิ่งที่ทําก็คือการควบคุมบังคับตัวเองนึกออกหรือยังงั้นผิดนะงั้นสิ่งที่ผิดก็มีสองอันหลงไปหลงไปเกิดจากอะไรก็มันอยากดู อยากดูรูปมันก็วิ่งไปดูรูปลืมตัวเองอยากฟังวิ่งไปฟังลืมตัวเองเอาเรามาทดลองความอยากนะอยากฟังนะที่วัดเนี่ยมีนกนานาชนิดเลยพวกเราลองตั้งใจฟังเสียงนกนะแล้วเดี๋ยวตอบว่ามีนกกี่อย่างที่ร้องเนี่ยนกกระปูดสังเกตไหมตอนที่ตั้งใจฟังเสียงนกเนี่ยลืมตัวเองอีกแล้วนะเนี่ยเหมือนเมื่อกี้ดูพระพุทธรูปก็ลืมตัวเอง เวลาฟังก็ลืมตัวเองสังเกตไม่เวลานั่งคิดคิดไปก็ลืมตัวเองนะรู้เรื่องที่คิดนะแต่ลืมกายลืมใจเห็นไหมว่าศัตรูหมายเลขหนึ่งคือลืมไปเผลอไปหลงไปขาดสติศัตรูหมายเลขสองคือนั่งเพ่งไวบังคับไวควบคุมไวกาหนดไวถ้าหลงไปเผลอไปก็ไม่รู้กายรู้ใจถ้าเพ่งไว้บังคับไวก็ไม่รู้ตามความเป็นจริงกายกับใจสุกบิดเบือนให้นิ่งผิดความจริง วิตเบือนเก่งๆเราจะรู้สึกว่าเราควบคุมมันได้นะเช่นความโกรธโผล่ขึ้นมาพุทโตทพุทโตทหายโกรธแล้วนี่เรารู้สึกว่าเราควบคุมได้หรือพอโกรธขึ้นมาโกรธเนอโกรธหนาะ ห, ห, หายโกรธแล้วเรารู้สึกควบคุมได้นะี่สัมมาเราหั่งสัมมาเราหั่งหายไปลแล้วรู้สึกควบคุมได้ฝึกนานไปนานไปจะได้มิจฉาทิฏฐิมาจะรู้สึกว่ากูเก่งกูเก่งกูบังคับจิตของกูได้แล้วนะ แทนที่จะเห็นว่าจิตเป็นอนัตตานะจะเห็นว่าบังคับได้ก็บังคับได้ก็บังคับได้เป็นกับกับนะได้เป็นเป็นพุทมวันหนึ่งก็ต้องเคลื่อนออกมาอีกเพราะงั้นคอยรู้ไปอย่างที่เขาเป็นนะนั่งฟังธรรมารพูดไม่ต้องคิดมากคิดมากยากนานนั่งฟังธ า, ารมะพูดแล้วก็คอยสังเกตใจของเราเดี๋ยววิ่งไปดูเดี๋ยววิ่งไปฟังเดี๋ยววิ่งไปคิดเดี๋ยววิ่งออกนอกวัดไปนะคอยรู้ไปเรื่อยๆ พอเข้าใจไหมกี่วันกี่ ว, นวันก็สอนอย่างนี้แหละนะเพราะฉะนั้นะถ้าฟังไม่รู้เรื่องนะเดี๋ยวก็เอาซีดีไปฟังนะฟังแล้วฟังอีกทนท น, นฟังหน่อยนะพวกเราชอบชอบอะไรก็ไม่รู้นะไม่ค่อยชอบธรรมะของจริงอะ่ะอย่างชอบไปนั่งอะไรให้มันเคริมเคิมนะไม่ดีนะ ดูออกไหมใจทำงานตลอดเวลาดูออกไหมจิตใจของเราแต่ละคนทำงานตลอดเวลาใครเห็นบ้างเดี๋ยวก็ไปดูเดี๋ยวก็ไปฟังเดี๋ยวก็ไปคิดรู้ไหมเนี่ยจิตใจนะทํทำงานได้สิบสี่แบบนะแต่เราไม่ต้องเรียนทั้งสิบสี่แบบก็ไดนะ้แบบที่หนึ่งวิ่งไปดูทำหน้าที่ดูนีนะ่ไปฟังไปดมกลิ่นไปลิ้มรสไปรู้สัมผัสทางกายนี่ห้าอันละ ที่เหลือทั้งหมดอยู่ทางใจนะอีกเก้าแบบเราไม่ต้องเรียนหมดก็ได้นะใจเราเป็นกุศลเป็นอ ก, กุศลเราก็คอยรู้โรคโกรธหลงเราก็รู้นะฟุ้งซ่านหดหู่เราคอยรู้ไปรู้ไ ป, รไปเรื่อยๆดีใจเสียใจมีความสุขความทุกข์นะคอยรู้กายรู้ใจไปเรื่อยๆรู้ใจอันเดียวก็ได้นะ <S <S พวกคิดมากทั้งหลายดูใจไว้นะ <S <S ตัมมาเรพวกคิดมาก หมออติว่าไงหม อ, อติดไม่มีอะไรใหม่ถึงอะไรสุญญาตา <c oughs> เอาคุณเสื้อเขียวเนี่ยรู้จักใจลอยอยัง เ, เนี่ยรู้จักใจลอยไหมเห็นไมคุณผู้ชายใส่แว่นอ่ะใจลอยแล้วรู้สึกไหม <c oughs> หัดไปอย่างนี้นะหัดรู้ไปในที่สุดพวกเราจะตื่นขึ้นมา เมื่อเราตื่นขึ้นมาได้เราอยู่ในโลกของความจริงแล้วเราไม่ได้อยู่ในโลกของความฝันในโลกเนี้มีแต่คนที่ตื่นแต่ตัวนะตื่นมาแต่ตัวแต่ใจเนี่ยฝันทั้งวันเลยคือเราไปหลงอยู่ในโลกของความคิดทั้งวันเลยเพราะงั้นใจเราหนีไปคิดปุ๊บเรารู้นะเราจะตื่นขึ้นฉับพลันเลยจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นในฉับพลั น, นแต่มาเนี่ยฝึกมาจากวัดป่าแต่ก่อนเข้าวัดป่าครูบาอาจารย์จะสอนเรื่องจิตผู้รู้ บางองค์ก็สอนเรื่องว่ามีสติปุ้มครองรักษาจิตไว้นะทุกๆอิริยาบถอะไรเงี้ยหลังๆมันชักกลอนๆนะเข้าไปวัดต่างๆเริ่มจะได้ยินแต่ว่านั่งไปเยอะๆนะเดี๋ยวเห็นโน้นเห็นนี่นะอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะเราไม่ได้นั่งเอาเห็นโน้นเห็นนี่เรานั่งเอาสติเพราะฉะนั้นเรานั่งไปเนี่ยเราพุโทโธพุโทโธหรือเราหายใจไปก็ได้นะพุโทโธพุโทโธพุทโธใจเราหนีไปคิดเรื่องอื่นนี่เรารู้ทันใจเราหนีไปละ พุทโธพุทโธจิตใจเรามีความสุขรู้ว่ามีความสุขพุทโธพุทโธใจเราสงบรู้ว่าจิตใจเราสงบงั้นเราพุทโธเพื่อจะมารู้ใจของเราคำว่าพุทโธตัวจริงก็คือจิตของเรานั่นเองส่วนคําที่เราท่องพุทโธพุทโธนี่เป็นแค่เหยื่อเหยื่อมาล่อเพื่อให้เราเห็นจิตใจของเรางั้นพุทโธพุทโธไปหรือหายใจเข้าหายใจออกก็ได้นะหายใจไปหายใจไปหายใจไปแล้วจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นแล้วรู้ว่าจิตหนีไป นะหายใจไปแล้วจิตมีความสุขหรือว่าสุขมีปีติหรือว่าปีติสงบหรือว่าสงบนะหายใจแล้พฟุ้งสซ่านหรือว่าฟุ้งซ่านเพาะฉะนั้นเราหายใจไปเพื่อจะมารู้ทันใจนะอย่างนี้ใช้ได้ทํากรรมฐานอะไรก็ตามเถอะนะก็คอยรู้ทันใจของเราไว้หรือเราเดินจงกรมไม่เช้าใครว่าเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อที่ป่าลนะอูเดินจงกรมไปเดินไปทําอะไรนะเดินจงกรมไม่ใช่เดินเอาระยะทางเพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบเดิน ไม่ใช่กะว่าวันนี้ต้องเดินร้อยเที่ยวเดินให้มันครบร้อยเที่ยวอย่างได้ไปนอนไม่ใช่เราไม่ได้เดินเอาเวลาด้วยไม่ใช่วันนี้จะเดินสามชั่วโมงก็เดินทอดหุยไปเรื่อยๆรอให้มันครบสามชั่วโมงอย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้จริงเดินจงกรมก็คือเดินฝึกสตินั่นเองเราเดินไปเดินไปใจเราลอยไปรู้ว่าใจลอยเดินไปเดินไปจิตเราไหลลงไปเพ่งอยู่ที่เท้า รู้ว่าจิตไหลลงไปเพ่งที่เท้านะเหมือนที่ไหลไปที่พระพุทธรูปเมื่อกีนะ้ะเนี่ยจะไหลลงไปอยู่ที่เทา้าเดินไปเรื่อยๆจิตใจมีความสุขขึ้นมารู้ว่าสุขนะจิตใจเป็นยังไงรู้ว่าเป็นกันงั้นเดินเพื่ออะไรเพื่อจะรู้ใจหายใจเพื่ออะไรหายใจเพื่อจะรู้ทันใจพุทโธเพื่ออะไรเพื่อจะรู้ทันใจสิ่งเหล่านั้นไม่ได้มีความแตกต่างอะไรกันทั้งสิ้นเลยอุบายของการปฏิบัติเมื่อปฏิบัติเข้ามาถึงจิตถึงใจตัวเราเองเมืออ่อไหรเราก็เรียกว่าได้แก่นสาร รู้จักหลวงปู่เทศไหมหลวงปู่เทศสอนนะบอกผู้ใดปฏิบัติเข้าถึงจิตถึงใจตนเองนะถึงจะได้แก่นสารของการปฏิบัติถ้ายังมาไม่ถึงใจเราเรียกว่าได้ผิวๆได้เปลือกๆเพรนะาะอะไรเพราะทุกเกิดที่จิตนี่ความพ้นทุกข์มรรคผลนิพพานเกิดที่จิตนี่นะมวนไปรู้ที่อื่นนะเลยไม่พ้นทุกสักทีเพราะงั้ น, ะ ท, น, นทำกรรมฐานอะไรก็ได้นะใครจะดูท้องคองท้องยุบยกเทา้ายั่งเทา้า สมามาหังนมาม พ, าาพัสทะพุทโธอะไรได้ทั้งหมดแหละนะหายใจก็ได้ขยับมือขยับเท้าได้หมดแหละขยับไปแล้วก็รู้สึกตัวไปนะหลวงพ่อเตียนสอนให้ขยับมือเนี่ยท่านบอกเลยขยับเพื่ออะไรนี่เป็นการเขยาา่าธาตรู้เป็นการเตือนตัวเองให้มันตื่นขึ้นมานะนั่นครูบาอาจารย์ที่ท่านภาวนาเก่งภาวนาถูกภาวนาเป็นแล้วก็โล่งอันเดียวกันหมดหลยนี่พวกเราเรียนมาจากสำนักน้นสำนักนี้บางทีเราก็เสียงกัน สำนักไหนจะเก่งกว่ากันไม่เก่งหรอกสำนักไหนสติเกิดแรกเก่งสำนักไหนเพ่งเพ่งเอามันก็เพ่งเหมือนกันทุกสำนักแหละะหัดพุทโธก็เพ่งพุทโธหัดหายใจเพ่งหายใจนะขยับมือก็เพ่งมือเดินจงกรมไปเพ่งเท้าดูท้องก็ไปเพ่งท้องอะไรนีมันก็เพ่งเพ่งเอาทั้งนั้นสติตัวจริงมันไม่เกิดรู้เรื่องไหมรู้เรื่องไหม ไม่รู้เรื่องก็ไม่เป็นไรนะถ้าไม่รู้เรื่องแล้วพลุ่มใจรู้ว่ากลุ่มใจหรือว่าจบหลับสูตรแล้ว <c oughs> นะมันง่ายเ ส, ส, ส้นผมบางภูกเขาแท้ๆเลยนะไม่ได้ลึกลับอะไรตัออ้งแต่โยมกับมังกรหลวข้อมาบ่อยทกทุกถก็ไม่ล่อยมากนะจครับแดงก็กลับไปวิสึกตัวอะไร่ใครที่หลวงพ่อสอนก็เมื่อวานคือ ตอนนี้เรารู้สึกย่งแข็งงยิ่ยมีแรงลมเออธรรมดานะแล้วรู้สึกเออแต่ก่อนเนี้ยเนี้ยทีมคุณสว่างเนี้ยนะี่ย <c oughs> เขมีเพื่อนอยู่ผู้หญิงอยู่ทีมหนึ่งเนะี่ยเขาชื่อทีมสิบเอ็ดนางฟ้านะ อ, อ่พอมาหัดเจริญสติตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็นสิบเอ็ดแม่มดนะเท่าะอะไรแต่เดิมเนี่ยเราคิดว่าเราเป็นคนดีนะพอเรามาหัดรู้จิตรู้ใจของตัวเองอย่างแท้จริงเท่านี้หาคนร้ายเท่านี้ยากนะ มันร้ายจริงๆนะเดี๋ยวก็โมโหเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวยังง้เดียยางงาเด๋ยวอย่างนี้เดี๋ยวเผลอเดี๋ยวใจลอยนะใจลอยอีกแล้วเห็นไหมมันร้ายตลอดวันนะเพราะงั้นปฏิบัติแล้วเห็นอะไรเห็นแค่กิเลสเป็นะนกิเลสเกิดก็ดีแล้วคอยรู้คอยดูไปไม่ใช่เพื่อจะละกิเลสนะคอยรู้ค่อยดูไปจนวันนึงเห็นว่ากิเลสแล้วแหละไม่ใช่ตัวเราหรอกไม่ใช่จิตด้วยเป็นสิ่งที่แปลกปลอบเข้ามานะ เหมือนคนที่แขกมาเยี่ยมบ้านเดินผ่านหน้าบ้านอย่าไปยุ่งกับมันรู้มันเฉยๆว่าเออไอคนบ้าเดินผ่านหน้าบ้านแต่ละนะไอนี่รถขยะมาผ่านหน้าบ้านไปช่างมันอย่าวิ่งตามพวกไปนะคอยรู้สึกตัวรู้ทันใจของเรานะกิเลสมาแล้วก็สักว่ารู้สักว่าเห็นกิเลส ท, ทั้งหมดเลยโลกโรดดลงทั้งหมดเลยเป็นสิ่งที่ใจมันไปรู้เข้าแต่เราเป็นแค่คนรู้คนดูใจไม่ทุกข์หรอกใจไม่ได้มีกิเลสหรอกนะคอยฝึกไป เาะฉะนั้นดีแล้วนะแต่เดิมอะ่ะเรารู้สึกเราเป็นคนดีเพราะว่าเราเก็บกดเอาไว้ความจริงเราร้ายเราซ่อนไว้เออมันแรงรู้สึกไหมร้าย <c oughs> เออ <c oughs> นี่แหละคือตัวจริงของเรา <c oughs> ตัวเรียบร้อยนะั่นอ่ะตัวปลอมเข้า <c oughs> ใจไหม <c oughs> ถ้าเราคิด คือตัวเรามีอนุใสซ่อนเร้นไว้เราไม่เคยขุดคุยขึ้นมารู้มาดูนะเรามีแต่คอยกดมันไว้กวดไว้ด้วยมาตรฐานของคนดีอยากเป็นคนดีเราก็่อยคุ่มไว้ต้อนซ่อนไว้นะวันหนึ่งหมดแรงกดนมันจะขึ้นมาอย่างรุนแรงนะเพราะงั้นสังเกตให้ดีเถอพวกชอบเข้าวัดน่ะกลับบ้านเราร้ายกว่าเก่าสังเกตไหมเวลาไปอยู่วัดทําเรียบร้อยนะแตมาอยู่วัดมานานรู้นะ คุณยายคุณย่าบางคนนะเป็นคุณหญิงด้วยนะเดินผ่านหมาหมานอนอยู่นะนย่ดตัวนะถามว่าทำอะไรครับเผื่อเขาเป็นพระโพธิสัตวนะ์กลับบ้านแล้วด่าคนใช้เช็ดเลยนะเก็บกดนานนะงั้นเราฝึกมาทั้งหลายเนี่ยส่วนใหญ่เก็บกดปนะล่อยให้เขาขึ้นมารู้อย่างที่เขาเป็น แต่ขั้นแรกสุดเป็นาาคารวะถือศีลห้าไวเพราะฉะนั้นอกุศลเกิดขึ้นทางใจเราจะได้สักว่ารู้สักว่าเห็นไปอย่าให้มันครอบงําล้นออกมาทางกายทางวาจามีศีลห้าไว้เวลาปฏิบัติทุ่ามาถึงว่าในชีวิตประจำวันเวลาเราได้ยินหรือได้เห็นอะไรพอได้เห็นปุ๊บอารมณ์ข้างในมันก็จะทําให้เราเกิดมลการคิด อ่าน uh, um, uh, uh, yeah. ั mm ่นแหละเราเกิดอารมณ์ชอบไม่ชอบเราก็จะเห็นความเกิดขึ้นแล้วกดัไปใช่ใช่นี้มก็ได้ฟังมว่าเราควรจะเหมือนกับผู้รู้ที่มันกัยมจะอธิบายใมเห็นหรือได้ยินอะไรอย่างนี้แล้วก็ยมเห็นได้ยินอะไรนี้มันก็จะมีความคิดขึ้นมาเหมือนกับคนพูดอยู่ข้างในมพอคนพูดเสร็ แล้วก็เกิดอารมณ์ไม่ชอบเราไม่ชอบพวกเราก็มีคนึงเป็นผู้รู้อื้รู้ก็บอกว่านี่เราไม่ชอบแล้วยองก็ได้ยินได้ฟังมาว่าผู้รู้เป็นกระผู้รูออ้อีกทีห่งยองก็กคืออยากเก้งอยากคิดมากคิดมากแล้วยากนานนะยงก็งงว่าคือเอางี้งคือจริงๆแล้ว จ, นะจิตนะเกิดดับเปลี่ยนแปงยตลอดเวลานะดูไปสบายๆนะสบายใจดูไปเล่น อย่ า, อาจริงเอาจริงได้ของเล่นนะเอาเล่นเล่นได้ของจริงถ้าเอาจริงไนดะ้จะทําด้วยโลภะอยากไม่ได้อะไรหรอกแล้เพราะงั้นที่กระบวนการที่เห็นนะั่นนะถูกต้องแล้วเห่ไหมขั้นแรกเลยมันมันอยากคิดอยากรู้เรื่องมันคิดขึ้นมาพอมันคิดขึ้นมาเนี่ยมันก็เกิดกุศลนะกุศลนะเกิดชอบไม่ชอบขึ้นมานะอย่าว่าแต่พวกเราเลยนะใครๆก็เป็นอย่างนั้นนะเคยมีคนไปถามพระพุทธเจ้าบอกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระองค์มีการมาราคะไหมพระพุทธเจ้าตอบว่าไงไหมเราไม่มีการมาราคะเพราะเราไม่มีกามาวิตกลงวิตกสิการมาราคะา้าเกิดนึกออกไหมต้องไปคิดก่อนนะราคะาโทสะถึงเกิดแต่ทำไมถึงคิดต้องหลงก่อนนะถึงจะไปคิดเพราะงั้นโมหะก็เป็นพ่อเป็นแม่ของกิเลสเผลอไปหลงไปนะ แล้วก็ไปคิดคิดขึ้นมาราคาโทสะก็เกิดนี้พอเรารู้ทันเห็นราคาเกิดเราก็รู้โทสะเกิดเราก็รู้ใจเราก็เป็นสักว่ารู้ว่าเห็นนะหลังจากนั้นอีกจิตอีกขนาดหนึ่งเราก็รู้อ้อเมื่อกี้จิตดวตะกี้นะมันรู้สึกตัวมันรู้ทันว่ามีกิเลสเนี่ยมันจะรู้ตามหลังไปรู้สบายๆอย่าพยายามรู้จิตให้เยอะๆนะรู้เท่าที่รู้ได้ถ้าพยายามจะรู้ให้เยอะถี่ยิบนะจะงงไปเลย อ่าถ้าเครียดถ้าเครียดแล้วหยุดถ้เครียดแล้วหยุดเลยทําใจสบายก่อนนะเพราะงั้นบางองค์บางท่านพอเครียดแล้วทำสมธาธิพักผ่อเราทําสมธาธิไม่เป็นก็ไม่ยากอะไรนะเอาหนังสือธรรมะที่อ่านแล้วสบายใจไปอ่านนะหรือขี้เกียจอ่านหนังสือนะแวะไปตามวัดที่เขามีวางมัตฉานะไสให้อาหารปลายจิตใจมีความโศกรั้ว่ามีความสุข เ, เริ่มปฏิบัติต่อได้ละ ให้อาหารปลาไปโอ้ปลามาหลายตัวดีใจรู้ว่าดีใจนะออดปลาตัวใหญ่มาไล่ตัวเล็กไปหมดเลยจะกินตัวเดียวชักโมโหละเข้าข้างตัวเล็กนะเกลียดไอตัวโตรู้ว่าเกลียดไอตัวโตนี่ฝึกอยู่อย่างนี้เพราะงั้นฝึกเล่นๆไปตามรู้เล่นๆไปแต่ผู้รู้เขจะเปลี่ยนเรื่อยๆไม่ไม่ต้องสนใจตัวผู้รู้นะตัวผู้รู้เนี่ยเขาพูดกันสําหรับคนที่ทําสมถะมาเพราะงั้นทางเดินมีสองสาย สายหนึ่งของสมถะยานนี้เย่ยงครูบาอาจารย์วัดป่าท่านจะทําสมถะก่อนจนจิตเป็นหนึ่งมีอารมณ์เป็นหนึ่งจะมีจิตเป็นหนึ่งตั้งมั่นอยู่อย่างนี้นะจะเห็นในร่างกายนี้ของสุกรู้สุกดูเวทนาก็าของสุกรู้สุกดูนะกุศลอกุศลเนี่ยจิตตสังขารสุกรู้สุกดูใจเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูตัวเนี้ทรงอยู่ได้อย่างนี้ตลอดวันเลยถ้าทรงอยู่อย่างนี้นานไปเห็นทุกอย่างเกิดระดับทุกอย่างเกิดระดับนะตัดกระแสไปได้สามครั้งครั้งที่สี่ไม่ตัดแล้ว ที่สี่อย่าหลงผิดไปยึดตัวผู้รู้ไว้เพราะงั้นครูบาอาจารย์ท่านจะสอนบอกว่าถ้าใครเดินแนวที่มีผู้รู้นะขั้นสุดท้ายต้องทำลายผู้รู้ต้องเห็นตัวผู้รู้ก็ไม่เที่ยงนะนี่อีกแนวหนึ่งเป็นแนวของวิปัสสนาญาณิกคอยรู้สึกไปเลยนะความรู้สึกอะไรแปลกปลอมข้าในใจคอยรู้ไปไม่ต้องพูดเรื่องตัวผู้รู้ก็ได้ถ้าจะไปหาตัวผู้รู้เดี๋ยวงงหลวงพ่อไปงงกัแล้ว มีคราวหนึ่งดูจิตตัวเองอยู่เรื่อยๆสบายดูไปเรื่อยแต่ละวันไม่เคยเหมือนกันเลยแต่ละเวลาไม่เหมือนกันเลยนะดูไปเรื่อยนี่เปกปัดป่าแห่งหนึ่งหลวงพ่อหลวงพ่อคืนหลวงพ่อคืนเห็นหลวงพ่อไปนั่งดูอยู่เรื่อยๆไปจ้องลงไปดูบางทีเราก็ถลําลงไปดูนึกออกใช่ไหมถล่าดูใหม่หลวงพ่อหันใหม่ๆหลวงพ่อก็เหมือนพวกเราชอบถลําลงไปดูหลวงพ่อคืนก็วอยไว้เฮ้ยประโม o ทำไมลงไปแช่อยู่งั้นนี่ดูผู้รู้นี่ไม่ใช่ไปดูตรงนั้นนั่นมันหลงแช่แม่หลวงพ่อได้ยินอ๋อให้ดูผู้รู้ได้คำผีรชั้นเลิศนะปิดประตูประตีเลยนะตั้งแต่หัวค่ํายันสว่างนั่งดูผู้รู้พอดูปุ๊บมันกลายเป็นตัวถูกรู้ไม่ออกใช่ไหมดูมันมีผู้รู้สอนลึกขึดูไอ้ผู้รู้อีกแล้วนะมันกลายเป็นตัวถูกรู้อีกนะสอนสอนสอนสอนสอนอย่เงี้ยนะสอนจนกระทั่งเราอย่างนี้เลยนะยันข้างฝาเลยนะ หูหัวนะหมุนสีเลยนะจิตนิดแทบจะบ้าคลั่งนะทุกข์มากเลยนะพอได้สว่างเปิดประตูอย่าไปเล่นงานพระแล้วนะมานะนะสอนอะไรเรานะเราภาวนางเราสบายนะเปิดประตูไปหลวงพ่อท่านก็รู้ทันนละ้วเปิดประตูโครมออกมาเลยนะชี้หน้าก่อนเลยประมุขภาวานาไงไม่ได้เรื่องเลยว่นะาอา้าก็หลวงพ่อสอนอนะ่ะแทบจะตีนสาย ไม่ใช่ไปดูตัวผู้รู้นะไม่เป็นคนละเรื่องคนละเรื่องกันนะคนละแนวเพราะฉะนั้นทางปฏิบัติมีหลายทางเวลาเรียนพร้อมๆกันเนี่มันยุ่งบางคนเขาทําสมาธิมาหลวงพ่อเขาพูดเรื่องผู้รู้เราไม่ได้ทํามามันไม่มีหรอกมันมีแต่จิตที่เกิดดับเกิดดับทีลักษณะคนที่เขาทําสมาธิเขาก็มีอัปปนาสมาธิ มีปัจจารสมาธิของเรามีแค่คณิกาสมาธิสมาธิชัวช่วขณะชั่วขณะไม่เหมือนกันคนละแนวกันแต่ถ้าจะดูกายนะต้องทําสมาธินะถ้าจะดูกายดูเวทนาอย่าทิ้งสมาธิต้องทําสมาธะถ้าจะดูจิตดูทำธรรมานุปัสสนานะดูไปเลยแล้วนะสมาธิเกิดทีหลังเราะนั้นอันหนึง่งคนที่มีตัณหาจริตพวกโลกมาก ให้มารู้กายและเวทนาก่อนจะรู้กายและเวทนาทำามทสมาธิซะก่อนทำสมาให้ดีใจตั้งมั่นมันจะเห็นทันทีเลยว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นของสุขรู้เวทนาก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นของสุขรู้เหมือนกันเพราะกายและเวทนานะมันดึงดูดใจของเราแรงถ้าใจเราไม่ตั้งมั่นพอนะใจจะไหลลงไปแช่เลยอย่างเวทนาเกิดนะั้นมันจะกลุ้มใจทุรนทุรายนะถ้าไม่มีสมาธิอยู่จะเห็นนะ กายก็อันหนึ่งนะเวทนาก็อันหนึ่งขาเนี่ยไม่เคยเมื่อยเลยนะขาจริงๆไม่เคยเมื่อยเลยความเมื่อยไปแทรกอยู่ในขาจิตก็ไม่เคยเมื่อยนะจิตเป็นแค่คนรู้นี่แนวหนึ่งนะอีกแนวหนึ่งสําหรับพวกคิดมากพวกคิดมากก็ให้ดูจิตไปเลยดูไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งจิตก็รวมเข้ามานะเพราะฉะนั้นอันหนึ่งเนี่ยสมาธินําปัญญาอันหนึ่งปัญญานําสมาธิไปขนาที่ จิตตัดสินความรู้เนี่ยต้องมีทั้งสมาธิและปัญญาทุกคนนะย่งแต่จะเอาอะไรก่อนตามความสามารถของเร า, าดูไปเลยดูไปเลยใช่ทำอย่างนั้นแหลนะแต่พอสบายแล้วอยากเหลอเปลือนนะก็ไปดูไป อกวาอาจารย์ต้องระวังนิดหนึ่งอย่างเวลาเราเดินดูดูไปด้วยนะบางทีมันคล้ายๆสังเกตที่ใจนิดหนึ่งถ้าใจแข็งๆขึ้นมานิดหนึ่งนะแสดงว่าจงใจแล้วแต่มันจะแข็งๆขึ้นนิดหนึ่งแต่ถ้ารู้ที่ถูกต้องนะใจจะเบาเลยใจจะโปร่งโล่งเบาสบายนุ่มนวลอ๋ออาจารย์แข็งนิดหนึ่งดูออกเปล่า คือรู้เนี่ยอย่าตึงรนะรู้อะไรก็ได้นะรู้อะไรก็ไดนะ้เพราะจริงๆรู้ไม่มีที่ตั้งนะอยู่ตรงไหนก็ได้เราเห็นข้อแตกต่างคือว่ามันจะมีสลักษณะคือรู้นอก ต, ตรอรู้ ม, มันมีสามาัญ ร, รู้ที่เป็นกลางเอน ก, กันไม่มีนอกมีในหรอกนะอยังไม่เจอรู <c oughs> ้กลางกลางนะลงกลางกลางจะเห็นเลยออกนอกไปก็ไม่ใช่นะ เข้าข้างในไว้ก็ไม่ใช่นะมีกลางไกลอีกอันอาจารย์ทําอะไรจิตตอนเนี้ยดวกไม่มีการทําบางอย่างขึ้นมานะนะต้องรู้ทันนะยังทําอยู่รู้ออกไปเลยใจลอยไปแล้วเพราะฉั้นะอาจารย์ทําตัวให้สบายนะใจมันยังไม่สบายเต็มที่มันยังจงใจปฏิบัติยังจงใจประครับประคองเขารู้ทันมัน อ้าไปไปที่บ้านแล้วจะให้สภาวะตรงนั้นมานเหมือนว่าเหมือนไม่ได้ทำเออต้องอย่างนั้นแต่มันจะแล้วมันรู้ตลอดเออต้องอย่างนั้นแหละนะตอนนี้เกรงเฉพาะที่มาที่นี่เอออย่างนี้นใช้ได้ใช้ได้นึกว่าอยู่บ้านเสร็จเหมือนตอนนี้นะอย่างนี้ใช้ไม่ได้แต่คนมาอยู่ตรงนี้ก็เกรงเยอะนะเกรงนี่เดี๋ยวนี้กล้าหาญนะเมื่อก่อนไม่กล้าหรอกเดี๋ยวนี้กล้ามานั่งตรงนี้ นั้นไม่ต้องหรอกปัญญามันเกิดเองอาจารย์เห็นไหมทุกอย่างมาแล้วไปนะถ้าโสดาบันไม่ได้รู้อะไรเยอะนะถ้าโสดาบันรู้แค่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาอะไรมาแล้วก็ไปหมดนะ่ะเห็นแค่นั้นเองอะนะ อนนั้นอุบายอุบายนะก็ถูกเป็นการหนนะ้าถูกของท่านแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนก็จริงจก็คือการพิจรารณานั่นเองนะการซักฟอกตัวเองสอบสวนตัวเองพิจารณาเหมือนบางทีนะมีคนหนึ่งสอนธรรมะเขาได้สอนธรรมะเราก็ได้นะคนหนึ่งก็ตั้งคำถามไปคนหนึ่งก็ตอบนะสักฟอกกันมันเป็นอุบาย บางทีมีรูปประกอบด้วยนะเห็นรูปเป็นครูบาอาจารย์หรือพระพุทธเจ้ามาเราก็ตั้งคำถามท่านก็เทศอะไงเงี้ยที่สำคัญนะรู้สึกไว้อาจารย์รู้สึกไว้ไม่ถูกเกลิดเรวก็ทำให้มันถูกเกลิตสิกเกลลวลาเวลาจะทอย่างที่ท่านแนะนำกมันมัน ก, กลับนี้ มันดับหมดมันดับหมดแหละทันทีที่สติตัวจริงเกิดนะ้ความปรุงแต่งจะดับไม่ได้อยู่ที่ดับนะอมันจะเกิดก็ช่างมันะเกิดแล้วมันก็ดับทันทีรู้มันก็ดับเองรู้อยู่อย่างเนี้ยนะไม่ไม่อยู่กับความดับนะอะไรเกิดขึ้นไม่รู้ไปแล้วมันก็ดับของมันเองเจ้าคุณนอสอนไหมหรือจักไหมเจ้าคุณนอ คุณนาบอกของจริงนิ่งเป็นใบของพูดได้ไม่ใช่ของจริงอาจารย์รู้สึกไหมมันไม่พูดทันทีที่สติสวาแทกเกิดแล้วมันไม่พูดเลยมันเงียบ จะเห็นเลยว่าแต่ละวันไม่เหมือนกันหรอกเดีนะ๋ยวว่าแต่ว่าความเพียร น, น้อยแล้วมันลงต่าเลยความเพียรเท่าเๆกันทุกวันนะ่ะมันก็ยังลงได้นะเพราะงั้นไม่ใช่ว่าอินพุตเท่านี้เอาพุตต้องเท่านี้ทุกวันนะไม่ใช่ทําเหมือนกันแหละวันนี้ก็จเจริญวันนี้เสือส่อมเพรอะไรเพราะว่าจิตเขาสอนธรรมะเราไม่เที่ยงนะ เ, งเธอว่าคับฉันไม่ได้หรอกนะแต่บางครั้งค่ะเหลอแล้วรู้ไหมเหลอไปแล้วลืมตัวเองละ เอานะเออเนี้ยรู้สึกไปอยากพูดทราบไหม <ฮะ S 1> อยากพูดเมื่อกี้อยากพูดตอนนี้ไม่อยากละแตอนนี้สงสัยทราบไหมเนี่ยรู้ลงไปอย่างเงี้ยรู้ลงทีลัะขณะนะสติยังไม่แข็งแรงสติไม่ต้องแข็งแรงสติเกิดแล้วก็ดับอ <c oughs> ่าสติก็เกิดดับเกิดดับทีละขณะเหมือนกับจิตเลยสงสัยรู้ไห้เออรู้ไปที่สงสัยเที่ยงไม่เที่ยงดูอย่างเงี้ย้ <c oughs> ารู้ทันจิตก็จะตัด ก็ตื่นโปร่งขึ้นมาเออไม่เป็นไรนะไม่ต้องพูดก็ได้ยิ่งดี อ, อ, อ, อ่คออาอคือปฏิบัตินะพอถึงละเอียดเข้าไปจริงๆนะมจะเห็นแต่ว่าสภาวะข้างในเนี้ยมีทีมีอะไรไหวๆนิดเดียวแต่ไม่รู้ว่าคืออะไรอ่านะ ครูบาอาจารย์ท่านก็สอนเหมือนนหลวงพ่อพุธก็สอนหลักการปฏิบัติพอถึงขั้นละเอียดนะมีแต่ยิบยับยิบยับสอนอย่างนะี้ไม่รู้ว่าคืออะไรนะพระเจ้าอยู่หัวเราที่ภาวนาเก่งหลวงพ่อพุทธฉัเล่าให้ฟังนะพราเจ้าอยู่หัว เ, เคยถามพระพระป่าท่านมาชุมนุมกันนะบอกว่าผมปฏิบัติผมรู้แต่ไม่รู้ว่ารู้อะไรผมรู้หรือไม่รู้นะโอ้ครูบาอาจารย์บอกฟังเราชื่นใจนะ บอกนี่แหละสุดยอดของการรู้เลยเพราะงั้นเราเห็นแค่ว่าสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นมาแล้วสิ่งนั้นก็ดับไปพรนะโสดาบันก็เห็นแค่นี้เองส่วนที่เราเห็นเป็นโลกโกรธลงสุขทุกข์อะไรเนี่ยหมายถึงว่ามันต้องปรุงยาวๆไปแล้วแล้ ว, ลวมันค่อยแปลออกมางั้นถ้ารู้ไวนะจะไหวแว บ, บขาดไปแล้วไม่ทันรู้ว่าคืออะไรเออนั่นแหละนั่นแหละไม่ต้องไม่ต้อง ไม่ต้องสนใจแค่รู้ไปเห็นแต่ว่าเกิดแล้วก็หายไปเกิดแล้วก็หายไปรู้แค่นี้พอลนะเป็นไปไม่ได้ที่เราไม่คิดเป็นเป็นเป็ น, ปนที่เป็นตลอดเวลาทื่คิดตลอดเวลาแต่ว่ายังไม่คิดในภาษานมนุษย์เท่านั้นเองเห็นไหมว่า เขาคิดของเขาได้เองเห็นไหมว่าเขาไม่ใช่ตัวเราหรอก เ, ร เ, อเ อ, อ่อเศร้าหมองก็ดูไปเรื่อยๆเราไม่ได้เศร้ามองหรอกนะเ อ, อแล้วก็คอยรู้ทันนะว่าความโกรธเกิดขึ้นก็รู้ความโกรธไปนะรู้ลงเป็นขณะขณะไปนะอยากคิดมากนะของง่ายๆคิดมากแล้วยาก เราจะคิดแต่เมื่อเรารู้ไม่ได้เพราะนั้นเวลาช่วงไหนเรารู้กายรู้ใจได้นะรู้ไปเลยช่วงไหนเรารู้ไม่ได้เราก็คิดเอานะต้องแยกแยะนะเพราะว่าคิดนะ่ะมันได้สมถะแต่การรู้มันได้ปัญญานะคิดเอามันได้สงบยนะครูบาอาจารย์เคยสอนนะบอกว่าคิดเท่าไหร่ไม่รู้หยุดคิดถึงจะรู้นะแต่ก็ต้องอาศัยคิดคือบางครั้งอ่นะ จิตใจฟุ้งซ่านมากเลยช่วยมันคิดนิดนึงเออชีวิตนี้ไม่เที่ยงอะไรเงี้ยว่าไปนิดนิ ด, นดหน่อยๆน่อยนะเดี๋ยวจิตจะรวมลงมาจิตรวมแล้วเราก็เฝ้ารู้กายรู้ใจของเราไปให้กายกับใจแสดงใตรักให้ดูเดินไหมเดินไหมพยายามเดินไห ม, ม, มอะไรก็ไม่สำคัญเท่าความมีสติ นะเอานะวันนี้โยมแค่นี้ก็แล้วกันนะเดี๋ยวขอเวลาคุยกับพระหน่อยนะโยมคนไหนจะมาถามอะไรเพริ่มเติมก็ไว้ถามวันหลังก็แล้วกันนะ